และส่งสอบถามดังความว่าเป็นความจริงหรือสาติมีข่าวว่าเธอเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าวิญญาณนี้นั่นเองย่อมวิ่งแล่นย่อมท่องเที่ยวไปมิใช่อื่นพระสาติตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามว่านี่แน่สาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรพระสาติตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณนั้นคือตัวอันนี้ที่เป็นผู้พูดเป็นผู้รู้เสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วในที่นั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคะบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอเรากล่าวไว้โดยอเนกประยายมิใช่หรือว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเว้นจากปัจจัยเสียการเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มีก็แลด้วยความเห็นที่ตนเองถือเอาไว้ผิดเธอย่อมกล่าวตูเราย่อมขุดตนเอง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 ก็ถึงความนับว่าจักกุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยขานะและกลิ่นเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าขานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกาย และโพลทพัพทะเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนและธรมมารมณ์เกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับไปตามเชื้อนั้นๆว่าไฟไม้ว่าไฟเศษของว่าไฟหญ้าว่าไฟโคลไมว่าไฟแกลบว่าไฟอยากเยื่อเป็นต้น